เศษใบไม้ที่ร่วงลนเง้าใจไม่มีคนเคียงข้างกายว้วันมันจนแสนเดียวได้เปล่าเปลี่ยวใจหลือเกินฝนปรอยเปียกปอนจุน น้ำตาลั่งลงมารินรดใจ